ทาเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่26เมษายนพุทธศักราช2547ตรงกับวันจันทร์ขึ้นแปดค่ำเดือนหกปีวอกเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนสะเป็นวันฟังธรรมพระพุทธองค์ ได้ทรงตัดไว้ว่าการได้ยินได้ฟังธรรมนั้นเป็นของยากเป็นของยากพอๆกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นของยากพอๆกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ทุกร้อยปีพันปี แต่นานๆจะมีปรากฏพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และประกาศสอนธรรมะให้กับสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันด้วยกันคำว่ากับว่ากันนี้มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากโบราณอาจารย์ท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาหนึ่งกับนี้เท่ากับเวลาที่ทุกๆร้อยปีจะมีคนเาภาพไปรูป เขาพระสุเมนสักหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ทุกร้อยรอย้ร อ, ยรอยปีไปจนกว่าเขาพระสุเมนจะสึกลาบเป็นหน้ากลองนั่นแหละถึงจะได้เป็นเวลาหนึ่งกับหนึ่งกันดังนั้นการที่จะเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าของแต่ละพระองค์นั้นจึงใช้เวลาอันยาวนานมากเป็นของยาก อย่างหนึ่งของยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญบารมีคือถ้าไม่ได้รักษาศีลมาอย่างเคร่งครัดแล้วโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ยากแล้วการเกิดของมนุษย์นั้นก็ไม่มากมายเหมือนกับการเกิดของเดรัจฉานทั้งหลาย ต่ละาชานเวลาเขามีลูกทีเขามีเป็นอคอกเป็นมีเป็นฝูงแต่มนุษย์เรานี้มีทีหนึ่งก็ทีละคนแล้วบางคนก็ไม่มีเสียได้ซ้ำไปดังนั้นโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งถึงแม้อาจจะได้สะสมบุญบารมีมาก็ตามแต่ถ้าไม่มีมนุษย์ที่เขาจะ ผลิตลูกออกมาคลอดลูกออกมาได้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากและได้ทรงตัดว่าการได้ฟังได้ยินธรรมะก็เป็นของยากถึงแม้ว่าในสมัยนี้จะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างเช่นที่วัดนี้ ก็มีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และทุกวันพระแต่ความยากนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีการแสดงธรรมความยากนั้นมันอยู่ที่ใจของคนที่ไม่อยากจะฟังธรรมต่างหากเพราะว่าในใจของคนส่วนใหญ่นั้นยังมีกิเลสครอบงาอยู่กิเลสนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับก้อนเมฆก้อนใหญ่ ส่วนธรรมะนั้นก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ถูกก้อนเมฆมาบดบังไว้แสงสว่างของอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะฉายลอดออกมาได้ฉันใดจิตใจของผู้ที่มีกิเลสหนาทึบปกคุมงผู้ห่ออยู่จะเป็นจิตใจที่ไม่ชอบฟังธรรมะเราถามตัวเราเองดูซิว่า ปีปีหนึ่งนี้เราฟังธรรมะกันมากน้อยสักเพียงไรปีหนึ่งอย่างที่วัดนี้อย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็สอ น, สอนไว้ว่าอย่างน้อยก็ควรจะฟังธรรมทุกๆุกวันพระ <c oughs> คืออาทิตย์หนึ่งก็ควรจะได้ฟังธรรมสักครั้งหนึ่งหรือถ้าปีหนึ่งก็ต้องห้าสิบสองครั้งด้วยกัน ในหนึ่งปีเราได้ฟังธรรมถึงห้าสิบสองครั้งหรือไม่นี่เป็นจํานวนอย่างต่ำนะไม่ใช่อย่างสูงอย่างน้อยที่สุดควรจะฟังสักอาทิตย์ละครั้งนะเราลองถามตัวเราเองดูสอบถามดูตัวเราเองว่าเราได้ฟังธรรมสักห้าสิบสองครั้งในหนึ่งปีหรือไม่ถ้าเราลองพิจารณาดูแล้วเราก็จะเห็นว่า ปีหนึ่งนี้เรายังอาจจะฟังไม่ถึงห้าสิบสองครั้งเลยทั้งๆ ท, งที่ธรรมะก็มีอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ธรรมะก็ไปถึงที่บ้านปล่อยวิทยุก็ฟังได้โทรทัศน์ก็มีการแสดงทำกันแต่ส่วนใหญ่เวลาโทรทัศน์ช่องไหนมีการแสดงธรรมคนดูมักจะย้ายช่องกันกดรีโมทกันเปลี่ยนช่องกันเสียส่วนใหญ่นี่จึงทําให้เป็น ความยากขึ้นมาทั้งทั้งที่ธรรมะนี้เป็นของที่ประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกถ้าเมื่อเปรียบเทียบถึงคุณค่าของธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าหรือดีเท่ากับธรรมะแม้แต่ชีวิตของเราเองนั้นพระพุทธเจ้าก็ายังทรงสอน ให้สละเพื่อรักษาธรรมะนะเพราะธรรมะนี้จะเป็นสิ่งที่ดูแลรักษาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้ไปสู่สุขคติให้มีแต่ความสุขความเจริญนะชีวิตที่ปราศจากธรรมะนั้นมีไปก็เปล่าประโยชน์ไปเปาเปล่าอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์ไปเป่ปลเพราะจิตใจที่ขาดธรรมะก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความ รุ่มร้อนมีแต่ควมีแต่ความทุกข์มีแต่กองเพลิงที่คอยเผาผลาญจิตใจอยู่เสมอดังนั้นถ้ามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีธรรมะนั้นก็สู้ไม่มีเสียดีกว่าดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าให้รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตดังนั้นถ้าเราจะต้องอดตายเพื่อรักษาศีลก็ขอให้ตายไปดีกว่าที่จะเสียศีล แต่บางคนกลับคิดตรงกันข้ามคิดว่าชีวิตนี้สำคัญจะต้องรักษาชีวิตนี้ให้ได้ด้วยทุกวิถีทางถ้าจะต้องรักขโมยอาหารมาก็จะรักขโมยมาถ้าจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเพื่อจะได้อาหารมาเลี้ยงชีพก็จะทำนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดจากจิตใจมีกิเลสความมืดบอด ชอบงามใจนั่นเองทําให้ไม่เห็นไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจ <c oughs> กลับไปเห็นว่าการได้มีชีวิตอยู่ <c oughs> เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าศีลธรรมแต่หารู้ไหมว่าอยู่แบบไม่มีศีลธรรมนั้น <c oughs> ก็จะเป็นมนุษย์ได้เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเพราะหลังจากที่ตายไปแล้วจิตที่ได้ประ ที่ไม่มีศีลธรรมนั้นย่อมต้องกลายเป็นเดรัจฉาน <c oughs> เป็นเปิดเป็นสัตว์นรกไปตามเหตุปัจจัยคือการทำบาปทำกรรมนั่นเอง <c oughs> แต่นี่เป็นสิ่งที่บุตชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านที่มีกิเลสตัณหาครอบงามจิตใจจะไม่รู้ไม่เห็นได้เพราะ เราไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจา้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติชำ่ละกําจัดกิเลสตัณหาอาวิชาโมหะความมืดบอดที่ครอบงมจิตใจทำให้ทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งต่างๆที่บุคคลที่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชาครอบงาอยู่ไม่สามารถเห็นได้ คือทรงเห็นทรงเห็นนรกทรงเห็นสวรรค์ทรงเห็นมรรคผลผนิพพานทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดทรงเห็นกรรมและวิบากทรงเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้บุคคลชนิดนี้ทำกรรมชนิดนี้จะต้องไปเกิดไปเสวยวิบากกรรมชนิดนี้ชนิดนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้ชราระจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้ว จะเห็นได้อย่างเหมือนกับคนที่ไม่ใช่คนตาบอดคนตาดีกับคนตาบ่อนั้นมีความสามารถแตกต่างกันในการมองสิ่งต่างๆมองเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างกันคนตาบ่อนั้นก็จะเห็นแต่ความมืดเห็นแต่สีดําอย่างเดียวส่วนคนตาดีก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พวกเราทั้งหลายเห็นกันถ้าอยากจะ ดูว่าคนตาบอดนั้นเห็นอย่างไรก็ลองหลับตาดูก็จะรู้ว่านั่นแหละคือลักษณะของคนตาบอดคนตาดีกับคนตาบอดจึงมีความสามารถในการมองเห็นแตกต่างกันฉันใดคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายก็มีความเห็น มีความรู้ที่แตกต่างจากคนที people, like ่มีโมหะอวิชชาความมืดบอดครอบงาจิตใจอยู่คนที่มีโมหะอวิชชาครอบงาอยู่อย่างพวกเราทั้งหลายก็จะเห็นกับตาลับปัดกันเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณเช่นเราจะเห็นว่าเงินทองนี่เป็นสิ่งที่น่าหามาครอบครองมียิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี ตำแหน่งฐานะต่างๆถ้ายกขึ้นไปให้สูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในผลเป็นในผลก็อยากจะเป็นนายกถ้าเป็นนายกถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ก็อยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่มันเป็นความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเพราะคิดว่าเมื่อมีเงินมากๆมีตำแหน่งสูงๆแล้ว จะมีความสุขมากแต่หารู้ไหมว่าเมื่อมีแล้วกลับมีความทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเมื่อไปยึดไปติดแล้วก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาว่าทำยังไงถ้าเกิดวันดีคืนดีเงินทองหมดไปเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวไปหรือเคยมีตาแหน่งสูงๆก็ถูกข้อปลดออกไป จะทำอย่างไรดีเพียงแต่คิดเท่านี้ทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น mm. ก็มีความทุกข์มีความกังวลใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์จริ ง, รงๆเกิดขึ้นมาจะทำอย่างไรจะทำใจได้หรือเปล่าสู้อยู่แบบคนธรรมดาสามัญไม่ดีกว่าเลยไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินทองมากมายแต่ก็พออยู่พอกินไปไม่เดือดร้อนอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลย แต่พ่อความหลงนั่นเองพ่อความมืดบอดถูกกิเลสตัณหาคอยกระซิบกระซาบอยู่ในใจเสมอว่าให้หามาเถิดรวยแล้วดีมีตําแหน่งมีอำนาจแล้วจะดีอย่างนี้เป็นต้นก็เลยหลงอยู่กับการคอยคว้าหาความทุกข์เข้ามาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาวันวั น, ว, นวันหนึ่งก็คอยแต่หาแล้วคอยรักษาคอยป้องกัน คอยต่อสู้เวลามีใครจะมาฉกแช่งฉกฉกแย่งชิงเอาไปก็ต้องมีการต่อสู้กันมีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุว่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่เราไม่รู้กันเพราะกิเลสมันปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้กิเลสจะเปิดให้เห็นแต่เพียงแต่ สิ่งที่ดีจากการมีเงินมีทองเช่นเวลามีเงินมีทองอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะไปไหนก็ไปได้มันจะให้คิดให้เห็นอย่างนั้นเวลามีตำแหน่งสูงๆก็จะใ้เห็นแต่ว่าจะทาอะไรก็ได้จะสั่งใครจะชี้นิ้วบอกใครให้ทาอะไรก็ทาได้แต่ไม่คิดถึงว่าเวลาที่มันหมดอำนาจหมดวาสนาไปแล้วหมดบุญไปแล้วจะทำอย่างไร จะอยู่อย่างไรต่อไปไม่คิดกันนั่นเองจึงทำให้หลงผิดเห็นผิดเป็นชอบชีวิตแทนที่จะมีความสุขกับมีแต่ความว <c oughs> ุ่นวายมีแต่ความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิน้นทั้งๆที่มีตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านอุตสาดำเนินชีวิตมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็น ทั้งสอนทั้งพูดทั้งปฏิบัติตนเองเป็นตัวอย่างท่านสอนให้เราอยู่แบบเรียบเรียบง่ายงายอยู่แบบนับน้อยสันโดษอย่าไปโลภอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจกันแต่เวลาสูญเสียไปนี้น้ำตาแทบกระเด็นร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งบา ง, บางคนก็ไม่สามารถทนอยู่ต่อไปก็มีถึงกับจะต้องทำร้ายชีวิตของตนเอง เพราะไปหลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเพราะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะมาคอยกระซิบคอยบอกคอยเตือนคอยเด่ยวรังจิตใจว่าอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับงูพิษมันจะกัดเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อโดนมันกัดแล้วก็มีแต่จะตายลูกเดียวเท่านั้น ทำไมไม่เอาตัวอย่างางที่พระพุทธเจ้าทรงนำเนินมาขณะท่านเกิดมาเป็นราชโอรสเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีรากยศสรรเสริญสุขมากมายกายกองแต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองท่านเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจก็เลยสลัดตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไป แล้วออกมาอยู่แบบคนธรรมดาสามัญอยู่แบบขอทานหาเช้ากินข้ามหาอะไรมาได้อะไรมาจากการบินบาบก็กินไปตามสิ่งที่ได้มาที่อยู่อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ในถ้าบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างก็อยู่ได้นะเสื้อผ้าคือจีวรก็หาเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะตามปา่าช้า เก็บมาปะมาเย็บให้เป็นผืนแล้วก็นำมาซักย้อมด้วยน้ำฝาดแล้วก็เอามาผงุงก็ใช้ได้แล้วเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มส่วนยารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำมูดเนา่าก็ใช้น้ำปัสสาวะของตนนั่นแหละดองกับสมอบ้างดองกับผลไม้บางอยาง่างที่ใช้เป็นยาได้ก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ฉันยาดองน้ำมูดเน่าเท่า น, นี้ก็เพียงพอแล้วกับการดำรงชีวิตยอยู่ร่างกายไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้แต่สิ่งที่จิตใจต้องการนั้นคือความสงบความประา์ความวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจึงต้องแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกต้องออกจากบ้านจากเรือนเพราะอยู่ในบ้านในเรือนนั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้นหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นเข้ามาหมดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้เข้ามาเพราะเมื่ออยู่กับคนแล้วคนนี้แหละเป็นตัวยุ่งที่สุดคนที่มีกิเลสเนี่ยเป็นตัวยุ่งมีปัญหามากเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าพอนั่นเองเวลาร้อนก็อยากจะให้มันเย็นเวลามันหนาวก็อยากจะให้มันร้อนเวลามันเวลาผอมก็อยากจะอ้วน เวลาอ้วนก็อยากจะผอมมันมีแต่เรื่องของความอยากร้อยแปดพันประการไม่รู้จักจบจักสิ้นใครจะต้องอยู่กับคนที่มีกิเลห์หนาๆแล้วกุ้มออกกุ้มใจเอาใจไม่ไหวหรอถ้าจะต้องเอาใจกิเลสต่อให้เอาใจเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอเพราะนี่มันเป็นธรรมชาติของกิเลสกิเลสนั่นเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักคำว่าพอ มีแต่จะต้องการสิ่งแปล ก, ปกใหม่ๆอยู่เสมอถ้าสิ่งไหนมีแล้วก็ไม่สนใจอยากจะได้ในสิ่งที่ไม่มีเมื่อไม่มีจะทำอย่างไรก็ต้องหากันแล้วของมันหากันง่ายๆที่ไหนกว่าจะได้อะไรมาชักชิ้นชักอันก็ต้องทำงานลำบากลำบนเหนื่อยยาก <c oughs> มาก <c oughs> เพียงไรกว่าจะได้มาแล้วเมื่อได้มาไม่ทันไรก็เบื่อแล้วอยากจะได้ใหม่อีกแล้ว นี่แหละคือสาเหตุของความวุ่นวายใจเมื่อจิตใจมีความวุ่นวายแล้วต่อให้มีอะไรมากมายเพียงไรก็จะไม่มีความสุขเพราะความสุขใจนั้นไม่ได้เกิดจากการมีมากมีน้อยความสุขใจนั้นเกิดจากการจากความสงบเท่านั้นถ้าใจสงบเมื่อไหร่เมื่อนั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นความพอก็จะเกิดขึ้น แต่ใจมันจะไม่สงบง่ายๆยิ่งมีอะไรไปคอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งหาโอกาสที่จะทำใจให้สงบนั้นยากดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบของใจต้องปริกวิเวกต้องออกหาที่สงบสงัดเช่นมาอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ที่วัดที่ไม่มีคนมาก วัดที่มีแต่นักปฏิบัติทุกคนที่อยู่ในวัดที่สำนักปฏิบัตินั้นเขาจะอยู่กันแบบเงียบๆ เ, เขาจะไม่คลุกคลีกันเขาจะแยกกันอยู่ต่างคนต่างคอยควบคุมใจด้วยสติไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆในอนดีตที่ผ่านมาหรือเรื่องราวในอนาคตที่จะตามมาให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจ หรือให้สวดมนต์ไหว้พระไปในใจไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเมื่อไปคิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดเรื่องราวขึ้นมาทำให้จิตใจไม่สงบนั่นเองจึงต้องออกหาที่สงบที่สงัดที่วิเวกเช่นมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมกันสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้าง สิห้วันบ้างส0สิบวันบ้างหรือสมเดือนสามปีบ้างสุดแท้แต่ศรัทธาของแต่ละคนและบุญบารมีที่ได้สะสมไว้ถ้าได้สะสมบุญบารมีมาทางนี้มากการที่อยากจะออกหาที่สงบสงัดก็จะมีมากแต่ถ้าสะสมบุญบารมีมาน้อยการที่อยากจะออกหาที่สงบสงัดนั้นก็จะน้อย กับชอบอยู่ที่ที่มีความวุ่นวายเพราะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับสิ่งที่ความวุ่นวายแล้วมันไม่เหงาถึงแม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ทนเอาแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะรู้สึกว่ามันเหงามันว่าเวเปล่าเปลี่ยวใจทรมานจิตมากกว่าอยู่กับคนมากๆแต่หารู้ไหมว่า ผลที่ได้จากการอยู่กับคนมากมายนั้นก็จะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดนอกจากชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจบไม่มีสิ้นแต่ถ้าออกมาอยู่คนเดียวแล้วพยายามต่อสู้กับความว้าเวความเศร้าส้อยหงอยเหงาด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆในทั้งอริยบททั้งสี่ ไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องควบคุมบังคับใจให้บริกรรมพุทโธไปตลอดเวลาถ้าทำได้อย่างนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบตัวลงเมื่อเวลาจิตสงบตัวลงแล้วความรู้สึกว้าเวเปล่าเปลี่ยวใจก็จะหายไปเพราะความว้าวเวเปล่าเปลี่ยวใจนี้ก็เป็น ผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นตัวสร้างขึ้นมานั่นเองเวลากิเลสอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจ mm. ก็จะสร้างความรู้สึกว้าเวเป่าเปลี่ยวใจเศร้าซ้อยห้อยเหงาใจเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาธรรมะคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธเข้ามาปราบกิเลสอย่างต่อเนื่องด้วยสติแล้วไม่ช้าก็เร็ว จิตก็จะรวมตัวสงบลงเมื่อสงบลงแล้วก็จะถึงจะพบเห็นความสุขอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้สักครู่นี้จิตกำลังรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจเศร้าซ้อยงอยเหงาแต่พอจิตงมลงปั๊บเท่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นจะห า, หายหมดไปเลยเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความนิ่งความสุขความเบาใจ ความปิติบางครั้งก็น้ำตาไหลขนลุกโซ่ขนลุกขนลุกซาขึ้นมานี่แหละเป็นานิสงที่จะเกิดขึ้นจากการบงเพ็ญจิตตภาวนามบริกรรมพุทโธอุทโธอยู่ในอิรยาบททั้งสี่ด้วยสติควบคุมไว้พยายามทำไปเถิดพยายามอดทนพยายามใช้ความเข้มแข็งใช้วิริยะความภาคเพียรไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตับสาวกทั้งหลายท่านได้พบกันและเมื่อเราได้พบแล้วความเหนื่อยยากต่างๆความทุกข์ทรมานจางๆที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นก็จะหายไปหมดสิ้นเลยจะไม่มีความจําคิดถึงความทุกข์แบบนั้นหลงเหลืออยู่เลยเพราะมันจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจนั่นเองมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย ที่เรียกว่าปรมังสุขขังนะถึงแม้จะเป็นความสุขชั่วขณะหนึ่งก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่จะเป็นอย่างนั้นจิตจะสงบได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วก็จะถอนออกมาแต่ความสุขที่ได้สัมผัสนั้นจะเป็นความสุขที่ดูดดื่จิตใจจะเป็นความสุขที่จะคอยเรียกให้จิตใจกลับไปหา ด้วยการพยายามปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เสพสัมผัสกับความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นความสุขที่ต่อเนื่องแบบไม่มีหมดสิ้นไปเลยจะมีอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถสี่เดินยืนนั่งนอนจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่มีความยินดีกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญสุขแบบไหนก็ตามจะไม่มีความสนใจเลยเพราะรู้ว่าราบยศสรรเสริญสุขนั้นถึงแม้จะมีความสุขมีส่วนดีอยู่แต่ส่วนร้ายความทุกข์ที่มันตามมามันก็แสนสาหัสเหมือนกันจึงไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากจะไปแตะต้อง เพราะได้เจอความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่ไม่มียาพิษเจือปนอยู่นั่นเองนี่แหละเป็นความสุขที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดเสมอเท่าความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่มีในโลกนี้ ยงอย่าไปหาอะไรในโลกนี้เลยอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมันวิเศษวิโสมันไม่วิเศษวิโสอย่างที่กิเลสตัณหามันคอยกระซิบคอยบอกเราหรอกเราต้องเอาธรรมะคําสอนของพระเจ้ามากระซิบใจเราสิพระเจ้าบอกความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เอง ความสุขอย่างอื่นนั้นไม่ใช่ความสุขความสุขอย่างอื่นนั้นเป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่ได้เสพยาเสพติดเวลาได้เสพยาเสพติดก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้เสพแล้วอยากจะเสพขึ้นมานี้มันจะทรมานรวดร้าวปวดหัวใจเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้ถึงกับจะต้องตายไปเลยก็มีนี่คือพิษของสิ่งต่างๆในโลกนี้ อย่าไปหลงอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆพยายามถอยออกมาถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็ต้องมีสติระมัดระวังคอยเตือนตนอยู่เสมอว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะตำแหน่งยศต่างๆนี้อายุหสิบก็หมดแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาคืนไปแล้วส่วนสมบัติเข้าของเงินทองจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีมันอาจจะหมดไปก่อนเราตายก็ได้ คนที่ทามาค้าขายแล้วหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีอยู่เยอะมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินเหตุอาศัยเท่าที่จำเป็นพอนามีมาซื้ออาหารกินก็พอแล้วส่วนสิ่งอย่างอื่นอย่าไปสนใจเรื่องจะเอาเงินไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อ แ, วแหวนนิน เจ้าแหวนจินดาเพศนินจินดาหรือสิ่งต่างๆอะไรนั้นอย่าไปหลงอยากอย่าไปหลงทำเลยเพราะมันเมื่อทำไปแล้วมันจะติดนิสัยขึ้นมาเวลาไม่ได้ทำมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราสวขัดอยู่แบบเรียบๆง่ายๆอยู่แบบนักน้อยสันโดษคือเอาเท่าที่จำเป็น ร่างกายต้องการอะไรมากน้อยเพียงไรก็ <c oughs> เอาเท่านั้นก็พอหรือถ้าหาไม่ได้ตามาตามความจำเป็นก็เอาตามตามมีตามเกิด <c oughs> วันไหนได้น้อยก็ขอให้พอใจกับการที่ได้มา <c oughs> <c oughs> วันไหนได้มากก็ให้พอใจกับการที่ได้มาถ้ามันได้วันไหนได้มากเกินความจำเป็นก็นให้เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้า <c oughs> วันข้างหน้าถ้าหามาได้น้อยก็เอาส่วนที่เราเก็บไว้ มาชดเฉยมาทดแทนกันไปถ้าเราฝึกหัดจิตใจของเราให้อยู่แบบเรียบง่ายได้แล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเรื่องการขาดเงินขาดทองเพราะเราจะมีความสามารถหาเงินทองมาได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตามความจำเป็นได้เพราะความจาเป็นนั้นมันไม่มากเลยความฟุ่มเฟือยต่างๆที่มันจะคอย คอยคอยดูดเงินดูดทองที่เราหามาด้วยความยากลาบากให้หมดไปไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่เพียงแต่ความสนุกความเพลิดเพลินในขณะที่ใช้เงินใช้ทองนั้นไปเท่านั้นเองแต่ความอิ่งความพอจะไม่เกิดขึ้นแต่จะมีแต่ความอยากจะใช้เงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะต้องสะดุดขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อเงินทองไม่พอใช้ เมื่อไม่พอใช้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักใช้แบบประหยัดรู้จักใช้เท่าที่จำเป็นแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีเงินทองเหลือใช้เราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองและเราจะมีเวลาที่จะไป ป, ป, ไ ป, ปฏิบัติธรรมทาจิตใจของเราให้สงบการที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำมาหากินหาเงินห า, นหาทองมา ได้เงินได้ทองมาแล้วก็ต้องเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองอีกเลยไม่มีเวลามาทำจิตใจให้สงบเลยไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติธรรมจิตใจก็มีแต่ความหิวความกระหายเป็นเปรตเป็นผีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวทั้งๆ ท, ที่มีเงินมีทอง